บ้านเช่าสยองมันมีผีอยู่เต็มไปหมดสมัมผัสสยองเรื่องนี้ต้องขอย้อนอดีตไปนานเลยมันเกิดขึ้นเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนตอนนั้นเจ้าของเรื่องเอง ก็อายุได้ประมาณเจ็ดแปดขวบปัจจุบันก็น่าจะปาไปห้าสิบแล้วแต่ก็ยังจำได้ไม่เคยลืมสมัยก่อนตอนที่ผมยังเด็กนั้นผมมีครอบครัวอยู่ด้วยกันห้าคนคือพ่อแม่พี่ชายผมและน้องสาวฐานะทั้งบ้านผมยากจนพ่อทำงานขับรถแท็กซี่แม่ก็เลี้ยงลูกสามคน ไม่ได้ทำงานอะไรบ้านที่อยู่ก็อาศัยเช่าเขาเป็นเดือนๆไปแล้เรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่บ้านเช่าในกรุงเทพนี้เองตอนนั้นผมอยู่บ้านเช่าแถวถนนอุดมสุขใกล้ๆกับโรงงานทานินและแถวนั้นในสมัยก่อนก็ไม่ต่างอะไรกับต่างจังหวัดเลยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งกว้างหนองน้า เป็นป่ากกซะส่วนใหญ่ครอบครัวผมก็ต้องอพยพตามพอ่อที่ต้องมาขับรถแท็กซี่หากินก็เลยได้เช่าบ้านหลังหนึ่งในจํานวนทั้งหมดสามหลังซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวแยกจากกันแต่อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันบ้านที่ผมมาเช่าอยู่อยู่ในซอยเล็กๆทางหินลูกรังสองข้างทางเป็นหนองน้ําหรือไม่ก็ต้นไม้ใหญ่ บางส่วนเป็นป่ากกตลอดทั้งซอยและบ้านก็จะปลูกห่างๆกันบ้านที่พ่อผมมาเช่าเจ้าของบ้านได้ซื้อที่ดินเอาไว้แล้วแล้วก็ปลูกบ้านของตัวเองไว้ด้านหน้าส่วนบ้านเช่าสองหลังก็ปลูกไว้ด้านหลังอีกทีซึ่งสองหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงเท่ากับว่าข้างล่างไม่มีห้องอะไรเลยนอกจากห้องน้าเท่านั้น การจะเข้าไปในบ้านนั้นจะต้องเดินขึ้นบันไดสูงๆไปแล้วเปิดประตูไม้ที่ทำจากไม้เป็นแผ่นๆพอเปิดแล้วไม้ก็จะทับไปทับมาพับเก็บอยู่ด้านข้างของประตูเมื่อเข้าไปในห้องก็จะเห็นเป็นห้องโล่งๆทั้งชั้นไม่ได้กั้นแบ่งอะไรเลยซึ่งบ้านเช่าสองหลังนี้อยู่ติดกันสามารถที่จะเอาไม้แผ่นใหญ่ๆ วางผ้าจะกราวกันตกของอีกบ้านมาผ้าอีกบ้านหนึ่งเดินไปเดินมาได้เลยส่วนบ้านของเจ้าของจะมีลักษณะเป็นตึกปูนสีทึมๆ ถ, ถ้าสมัยนี้อาจจะเรียกว่าสไตล์ลอฟก็เป็นได้บ้านเจ้าของบ้านจะปลูกราังจากรัวบ้านหลบเข้ามาข้างในอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีเนื้อที่หน้าบ้านเหลือเยอะมาก รั้วบ้านสมัยก่อนก็จะเป็นรั้วลวดหนามเกี่ยวกับเสาปูนเป็นระยะระยะรอบพื้นที่อาณาเขตของที่ดินเท่ากับว่าถ้าคนอยู่นอกรั้วบ้านก็จะมองเข้ามาเห็นบ้านเจ้าของก่อนเลยแต่ไม่สามารถมองเห็นบ้านเช่าสองหลังที่อยู่ถัดไปได้แถวนั้นในเวลากลางวันจะเงียบมากเพราะบ้านอยู่ห่างกัน ประกอบกับแต่ละบ้านก็ออกไปทำมาหากินช่วงเย็นๆหรือค่ำๆก็จะมีผู้คนเดินบนถนนบ้างแต่ไม่มากนักตอนนั้นผมยังไม่เรียนหนังสือน้องสาวก็เหมือนกันพี่ชายไปเรียนใกล้ๆบ้านบ้านเช่าอีกหลังเป็นคนหนุ่มมาเช่าอยู่รู้สึกจะเป็นคนใต้เขาก็ไปทำงานส่วนบ้านเจ้าของก็ออกไปทำงานด้วย ลูกๆเขาก็ไปเรียนหนังสือกันหมดบ้านทั้งสามหลังนี้จึงเหลือผมน้องสาวและแม่อยู่กันแค่สามคนในวัยเด็กสมัยนั้นผมกับน้องสาวซึ่งไม่ได้ไปเรียนคงทำอะไรไม่ดีไปกว่าการวิ่งเล่นอยู่ในบ้านหรือวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณบ้านสามหลังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว เราชอบวิ่งไปเล่นแถวหน้าบ้านของเจ้าของบ้านหรือไม่ก็วิ่งมาหลังบ้านและที่สำคัญผมชอบแอบดูตรงช่องลมของบ้านเจ้าของบ้านเพราะอยากรู้ว่าในบ้านเขามีอะไรบ้างเช่นโต๊ะทีวีโซฟาอะไรประมาณนี้เพราะที่บ้านผมไม่มีแต่เมื่อผมมองเข้าไปในบ้านกลับพบว่า มีคนยืนอยู่ใส่ชุดสีขาวยาวมากเขายืนอยู่กลางบ้านซึ่งผมพยายามมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นหัวของคนคนนั้นพอให้น้องดูน้องก็บอกไม่เห็นเหมือนกันตอนนั้นก็พูดตามประษาเด็กว่าหีหลอกแล้วก็วิ่งไปบอกแม่ที่อยู่ในบ้านแต่แม่ก็ไม่พูดอะไรได้แต่บอกว่า ยาวไปวิ่งเล่นนอกรั้วบ้านแค่นั้นพวกเราจึงไม่คิดอะไรแล้วก็มาเล่นกันต่อโดยที่มองเข้าไปในบ้านหลังนั้นก็ยังเหมือนเดิมวันหนึ่งในตอนเช้าแม่ผมออกไปนอกบ้านเพื่อไปซื้อของก็มีคนมาถามแม่ผมว่าที่บ้านมีคนแก่อยู่ด้วยเหรอช่วงกลางวันเขาผ่านแถวนั้นแล้วเห็นคนแก่นั่งหันหลังให้ ผมขาวยาวถึงเอวเพอเขาตะโกนทักทายคนแก่คนนั้นก็หันมายิ้มให้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหัวคำ่ำคนที่เดินผ่านบริเวณหน้าบ้านแทบจะเห็นกันทุกคนแม่ผมก็บอกว่าไม่มีนะอยู่กันแค่สามคนเองและส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านหลังไม่ได้ออกมาอยู่ด้านหน้าจากคำพูดของแม่คำนี้ก็ทำเอาชาวบ้าน กลัวกันไปเป็นแถบแถบทีน่นี่มักจะมีเรื่องราวให้ได้หลอนกันได้แทบทุกวันโดยครอบครัวผมจะนอนกันอยู่ห้าคนนอนเรียงเรียงกันไปคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างก็เลยมองไปกลางบ้านผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาน่ากลัวมากเขากําลังก่อไฟและเคลียกองไฟอยู่บนบ้าน สักพักเหมือนเขาจะรู้ก็หันมามองผมด้วยความกลัวผมรีบมุดคลุมโปงในทันทีพอเช้ามาผมก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พ่อกับแม่กลับบอกว่าผมหลอนไปเองเล่นผีหลอกกันจนเก็บอาไปฝันมีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนกลางวันครั้งนี้แรงมากเล่นเนาตำรวจและชาวบ้านงงกันเลยทีเดียว เพราะว่ามีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจว่าบ้านเจ้าของบ้านที่เป็นตึกปูนบนชั้นสองจะมีหน้าต่างกระจกรอบทั้งบ้านชาวบ้านได้เห็นกลุ่มคนเดินไปเดินมาบนบ้านแต่งตัวลักษณะแปลกๆ แ, และเห็นมีควันลอยอยู่เต็มชั้นสองของตัวบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะมีการมั่วสุมอะไรกันสักอย่างตอนนั้น บ้านทั้งสามหลังทุกคนออกไปทำงานไปเรียนกันหมดเหลือแค่พวกเราสามคนชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ก็รอดูจนตำรวจมาแล้วชี้ให้ตำรวจดูอีกด้วยแม่ผมจึงรีบออกไปรับหน้าแทนเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านนั้นไม่มีใครอยู่เขาไปทำงานกันหมดบ้านก็ปิดกุญแจล็อกไว้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ จนแม่ต้องให้ตำรวจโทรไปที่ทำงานของเจ้าของบ้านเพื่อให้มาเปิดบ้านให้ดูแต่พอเปิดเข้าไปดูที่ชั้นสองของบ้านกลับไม่พบอะไรทั้งนั้นแม้แต่กลิ่นควันก็ไม่มีนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนั้นมาก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งผมจำได้ว่าเป็นช่วงประมาณห6โมงเย็น ผมกับน้องก็นั่งเล่นอยู่ตามขั้นบันไดส่วนแม่ผมก็นั่งด้วยไม่แน่ใจว่านั่งสอนอ่านหนังสือหรืออะไรกันแน่เพราะจําไม่ได้ตอนนั้นพ่อผมก็ยังไม่กลับพี่ชายก็ยังไม่ถึงบ้านส่วนบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งพี่ที่เป็นคนใต้ก็กลับจากทำงานและเข้าบ้านแล้วเวลาผ่านไปสักพักอยู่ดีๆ แม่ผมก็ลุกเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองของตัวบ้านแล้วเดินเข้าไปและหายไปอยู่ในนั้นนานมากผมกับน้องก็เลยชวนกันเดินไปตามหาแม่แต่พอเดินขึ้นไปแล้วกลับไม่เจอแม่อยู่ในนั้นทั้งทั้งที่บนชั้นสองไม่มีกั้นห้องอะไรอีกเลยเป็นห้องโลงๆพวกเราก็ตกใจกันมาก เลยวิ่งไปหาพี่ที่บ้านเช่าอีกหลังหนึ่งบอกว่าแม่หายไปไหนไม่รู้ให้ช่วยดูแม่ให้หน่อยแล้วเขาก็ออกมานอกห้องกันประมาณสามสี่คนจากนั้นก็ยืนมองไปที่บ้านของผมแต่เขาจับตัวผมกับน้องไว้ไม่ให้วิ่งกลับไปที่บ้านของผมแล้วสิ่งที่พวกเราเห็นกันก็คือซากศพมันเป็นซากศพที่เดินได้ ซึ่งมองไม่เห็นหน้าลักษณะของมันนั้นตัวแหง้งหนังติดกระดูกสีดำผมเฆ้ารุงรังนุง่งผ้าถุงเก่าๆไม่ต่างจากศพที่ถูกเอาไปฝังแล้วขุดขึ้นมาเลยซึ่งมันกําลังเดินออกมาจากห้องบนชั้นสองที่แม่ผมหายไปมันก็มาหยุดพิงประตูไม้ที่เปิดอยู่แล้วก็อยู่อย่างนั้น พวกพี่พที่เขาดูอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขากลัวไหมแต่มีพี่อยู่คนหนึ่งนําไม้ที่ใช้เป็นสะพานให้แมวเดินข้ามไปมาระหว่างบ้านเขาได้หยิบเอาไม้อันนี้ดันตัวมันผมเห็นพี่เขาดันอยู่นานมากจนสุดท้ายมันก็เดินแบบเซไปเซมากลับเข้าไปในห้องเหมือนเดิมพอมันหายเข้าไปในห้องแล้ว พวกพีพีก็รีบวิ่งกันขึ้นบ้านผมเพื่อจะไปดูแม่ผมที่หายไปก็ปรากฏว่าแม่ผมหลับอยู่กลางห้องโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถามว่าทำไมมานอนตรงนี้แม่บอกว่าจะขึ้นมาเปิดไฟข้างบนแต่อยู่ๆมันก็รู้สึกง่วงก็เลยนอนสุดท้ายแล้ว บ้านทั้งสามหลังนี้ก็อยู่กันไม่ได้ต้องย้ายออกกันหมดแล้วขายทิ้งทั้งบ้านพร้อมที่ดินต่อจากนี้ผมจะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างและสาเหตุของเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในที่ดินแห่งนี้ที่นี่เจ้าของบ้านเช่าก็เห็นพวกผีทั้งหลายนี่ด้วยเหมือนกัน แต่ไม่กล้าเล่าให้คนเช่าบ้านฟังเพราะเกรงว่าจะกลัวกันแต่เจ้าของบ้านกลับไม่กลัวเพราะเขาถือศีลและทำบุญเยอะเขาบอกว่าบางทีเขาเลิกงานตอนดึกๆึมันจะมาหาเขาในสภาพเป็นเงาดำๆเดินตามเกาะแข้งเกาะขาเลยที่น่าแปลกใจคือพ่อผมไม่เคยเจอผีเลยสักตัว ทั้งทั้งที่พ่อผมกลับบ้านดึกประจำเพราะต้องขับแท็กซี่และส่วนใหญ่จะกลับเป็นคนสุดท้ายของบ้านเสมอซึ่งในสมัยนั้นสามสี่ทุ่มก็วังเวงมากแล้วและที่น่าแปลกใจมากที่สุดคือพ่อผมซื้อหวยถูกทุกงวดไม่รู้เป็นอะไรนึกเลขอะไรได้ก็ซื้อออกตรงตลอดพอถูกหวยขึ้นมา พ่อก็จะหยุดขับแท็กซี่แล้วพาพวกเราไปเที่ยวทุกครั้งเลยพี่ชายผมก็ไม่เคยเจออะไรเหมือนกันและไม่ค่อยอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆสักเท่าไหร่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่ามานั้นน้องสาวก็เป็นอีกคนที่อยู่กับผมเพราะอย่างนั้นเขาจึงสามารถเล่าเรื่องราวนี้ได้ตรงกับผมไม่ผิดเพี้ยนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา จนถึงทุกวันนี้ทำให้พ่อผมเป็นคนบ้าหวยไปเลยเพราะคงคิดว่าจะถูกเหมือนเมื่อก่อนและสาเหตุที่ทำให้บ้านสามหลังนี้ผีดุมากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้เมื่อเจ้าของบ้านเช่าได้ไปหาพระอาจารย์ที่นับถือเพื่อให้ดูว่าทำไมที่ตรงนี้ถึงเป็นแบบนี้ก็ได้คำตอบกลับมาว่า ที่ตรงนั้นเดิมทีมันก็ไม่มีอะไรเลยปกติมากแต่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะปลูกบ้านตรงนี้ได้มีการนําดินจากที่อื่นมาถมที่ตรงนี้และดินที่แปลเอามาถมที่นั้นมันเป็นดินที่มีพวกสัมภเวสีอยู่เป็นจํานวนมากและเป็นดินที่มีทหารและชาวบ้านล้มตายกันเป็นจานวนมากด้วย และร่างของพวกเขานั้นก็ถูกฝังลงไปในดินเหล่านั้นแต่ว่าวิญญาณของพวกเขายังคงอยู่และไม่ไปไหน สมหติยอ <See you. S 1>